แล้วเราไม่จําเป็นต้องอธิบายได้ทุกเรื่องหรอกเพราะว่าคําอธิบายมันก็แค่คําปลอบใจหรือว่าเราต้องการรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เท่า น, นั้นเองโดยความจริงแล้วสัจธรรมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคือมันเป็นของไม่เที่ยงให้รู้เท่านั้นก็พอเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นในตอนนี้นะอย่างเหตุการณ์ที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็ไม่มีก็สแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าอะไรที่มันเกิดมันต้องดับไปทั้งนั้น เนี่ยสัยจธรรมความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องหาคําอธิบายมันก็ได้เพราะความจริงในตัวมันเองมันแสดงอยู่อย่างที่คุณพูดเมื่อกี้มันน่าตื่นเต้น mm. ใช่ไหมตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็ไม่มีก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันผ่านไปแล้วฉะนั้นความจริงเขง้ามาก็คืออะไรที่มันเกิดมันล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นล้วนแต่บังคับบัญชาไม่ได้ล้วนแต่เป็นไปตามเหตุของมันที่ความรู้ที่เราต้องการจริงๆคือความรู้อันนี้แหละ ความรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องการคําอธิบายอะไรนะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้ชอบคําอธิบายคําอธิบายมันก็ทําให้เราวนเวียนหลงไปนั่นหลงไปนี่แต่ที่จริงอะไรที่มันเกิดให้เรารับรู้มันว่าอมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องรียกชื่อมันก็ได้แต่มันก็จะผ่านไปเหมือนเราเห็นคนนี้ไม่ต้องไปรู้ชื่อเขาก็ได้หรือว่าไม่ต้องไปรู้ว่าเขามีนิสัยอะไรยังไงก็ได้แต่รู้แค่ว่าผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป อันนี้คือการรู้จักกันที่ดีที่สุดหรือว่ามากที่สุดนะอันนี้แหละก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเรื่องของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะหรือว่าที่พระอัศจริทธ์ให้ท่านภาษาดิบุตรฟังเรื่องว่าธรรมะทั้งหลายเราใดเกิดจากเหตุนะ ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็จะดับไปเพราะสิ้นเหตุที่แล้วท่านพูดถึงเมื่อกี้เห็นไหมที่ตั้งคําถามขึ้นมาอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรที่มันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเหตุแล้วมันก็จะหมดไปเมื่อสิ้นเหตุฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจมันมากหรือว่าไม่ต้องไปใส่ใจมันมากว่ามันคืออะไรก็ได้หรือว่าเราจะใส่ใจมันก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ดับไปเหมือนกันอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันไปหลงอยู่กับความรู้อดีตต่างๆ เอามาอธิบายอย่างนั้นเอามาอธิบายอย่างนี้โอ้ความสุขนี่มันดีเหลือเกินนะพอความสุขมันดีเหลือเกินนะเราก็โหยหาอยากได้มันอีกทั้งทั้งที่ตัวสัจธรรมความจริงมันก็บอกอยู่อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเมื่อคืนมันสุขมันสงบตอนนี้มันได้สงบอย่างเดิมไหมไม่สงบอย่างเดิมแล้วมันหายไปแล้วตัวสัจธรรมความจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยงอันนี้มันตรงๆแล้วก็จริงปรากฏต่อหน้าเราอยู่แล้วแต่เราก็ ไม่รู้จักมันใช่ไหมไปโหยหามันอยากได้สงบอย่างนั้นอีกนะจากนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วก็รับกระทบสัมผัสสิ่งต่างๆก็จําเอาไว้ว่าเห็นอะไรแล้วทําให้มีความสุขได้ยินอะไรแล้วทําให้มีความสุขดมกลิ่นริ้มรสสัมผัสหรือว่ารู้สึกยังไงแล้วทําให้มีความสุขก็ติดข้องกับมันเพราะเคยมีประสบการณ์กับมันแล้วมันให้มีความให้ความสุขได้ก็ติดข้องกับมัน เพราะว่าไม่เข้าใจความจริงของประสบการณ์ทุกอย่างแท้ที่จริงตัวประสบการณ์ทุกอย่างนี้มันเป็นตัวที่เกิดเพราะเหตุเกิดมาแล้วก็ดับไปเขาเรียกว่ามันเป็นตัวขันขันนี้ก็คือกองของสิ่งต่างๆที่มันเกิดตามเหตุเกิดแล้วก็ดับไปนะถ้าว่าตามภาษาปัจจุบันเขาเรียกเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับรุ้งกินน้ําเคยเห็นไหมกระุงกินน้ําเวลามันมีเหตุสมควรใช่ไหมก็คือฝนหลังฝนตกใหม่ๆ มีเมฆมีอะไรพอสมควรหรือว่ามีละอองน้ําพอสมควรรุ้งกินน้ําก็เกิดขึ้นพอสักหน่อยหมดเหตุมันก็สลายไปสู่ความไม่มีตัวปรากฏการอันนี้ที่เกิดเป็นกันเป็นครัง้งที่เป็นมายาเหมือนกับว่ามันมีจริงจังเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้อะไรก็ได้นี้เขาเรียกว่ามันเป็นตัวขันเป็นปรากฏการขันเคยได้ยินคําว่าขันห้าไหมนะฉะนั้นตัวเรานี้ก็เหมือนกับรุ้งกินน้ํานั่นแหละ ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งนะตัวรูปก็เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเกิดแล้วก็ดับไปรูปเมื่อเช้าหายไปหรือยังหายไปแล้วที่อยู่ในโรงแรมนะ่ะเป็นเราทั้งดุนเลยใช่ไหมนะ่ะแต่ที่จริงเป็นรูปที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเมื่อเช้าหายไปหรือยังหายไปแล้วรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างรีบบ ăng, ้างหนาวหนาบ้างเมื่อเช้าก็หายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกใหม่เป็นการทรงจําเป็นความหมายรู้ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแต่ละอยา่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งแต่ว่ามันหลอกเราได้เขาเลยเรียกว่ามายาของทุกข์นะอันนี้แหละมายาของทุกข์ท่านภาษาดิบุตรนี้ตอนที่ท่านเป็นหนุ่มๆท่านก็ไปดูละครเหมือนกันพอไปดูละครเนี่ยท่านก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะไอ้พวกเล่นละครนี่มันอะไรกันมันหลอกกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรมาหลอกกันทั้งทั้งที่ตัวเราเองเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เป็นครั้งครั้งผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วพวกเล่นละครก็ต้องแก่ต้องตายไปเหมือนกันหมดแล้วมาหลอกกันทําไมอย่างเนี้ยก็เกิดความรู้สึกไม่สนุกเหมือนเดิมแหละดังนั้นถ้าเราดูละครแบบดูแบบผ่านๆแบบตันภาษารรบุตรนี้จะได้ประโยชน์คือจะดูแบบไม่สนุกแล้วเพราะว่าดูละครแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องอะไรหรอกก็มีเรื่องแย่งสามีกันแย่งสมบัติกัน แย่งนั่นแย่งนี้กันเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเราดูแบบผันผ่านเราจะเข้าใจแต่ถ้าดูแบบจริงจังรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เราจะไม่รู้เรื่องเราจะหลงไปตามเขาแล้วอยากดูตอ่อเพราะว่าอ่ะตอนต่อไปจะเป็นยังไงเขาก็จะบอกโปรดติดตามตอนต่อไปเราก็ติดตามไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยอันนี้ก็เลยว่าพวกหลงไปเรื่อยฉะนั้นเวลาเราดูอะไรสังเกตอะไรไม่ต้องไปจริงจังกับมันให้ดูแบบผันผ่านาเวลามีความรู้สึกสุขเกิดขึ้น ไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากให้รู้สึกแบบ ผ, ล ผ, ลผล่านๆว่าเออนี่มันสุกนะแล้วก็ผ่านไปทุกเกิดขึ้นเคลียดเกิดขึ้นให้รู้แบบผ่านๆให้รับรู้มันว่าอ่ะนี่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ ผ, ล ผ, ลผล่านไปเหมือนดูละครให้ดูแบบ ผ, ลผล่านๆแค่เดินฉัดฉาดเท่านั้นเองรู้เรื่องแหละรู้เรื่องว่ามันมีแค่นี้แหละทุกเรื่องเหมือนกันหมดไม่ต้องเสียเวลามากนะได้ความรู้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ได้เห็นความจริง ชั้นวิธีการที่จะทำให้เห็นความจริงนี้ไม่ใช่เราไปจริงจังกับมันแล้วก็ไปคลุกอยู่กับมันแต่เป็นการดูแบบผันผ่านนะแค่รู้สึกแบบผันผ่านก็พออย่างนี้นะก็จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดเพราะเหตุสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันหมดเหตุมันก็จะดับไปทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปอธิบายมันก็ได้ไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้ เหมือนเราตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเลยมันเฉยเฉยแต่ที่จริงเฉยเฉยก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเราก็แค่รู้ว่าเออตอนนี้มันเฉยเฉยสักหน่อยมันก็จะไม่เฉยเมื่อเกิดผัสสะชนิดใหม่มามันก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างเศร้าใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างพอพอใจดับไปมันก็เฉยเฉยอีกเฉยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเนะี่ยอย่างนีน้ให้สังเกตดูผ่านๆไปก็จะรู้ นะครับนะฉะนั้นให้สังเกตในกายในใจของเราบ่อยๆนะแล้วก็จะรู้จะได้เข้าใจอย่างที่ท่นานภาษาริบุตรเข้าใจเห็นไหมท่านฟังแป๊บเดียวเข้าใจเลยนะธรรมะทั้งหลายเราใด้เกิดแต่เหตุนะมันจะหมดไปก็เมื่อหมดเหตุเี่ยพระสมณะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ก็เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่เดิมเราอยู่ที่โรงแรม อาศัยเหตุคือทัวเขาพามาใช่หมรถพามาก็สิ่งเหล่านั้นก็หายไปเห็นไหสิ่งใดเกิดจากเหตุเมื่อมันหมดเหตุมันก็หายไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อเรามาที่นี่อาศัยเหตุคือการได้มาเห็นที่พระพุทธเจ้าเรานึกเราคิดเราหมายรู้ไปก็เกิดความรู้สึกต่างๆความรู้สึกเหล่านี้แต่เดิมไม่เคยมีก็ามามีขึ้นเนี่ยมันอาศัยเหตุในการเกิด เม no right. so, okay, so like ื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีขึ้นเมื่อมันหมดเหตุต่อไปกระทบอารมณ์อันอื่นไปเห็นคนยากจนไปเห็นคนยื้อแย่างอะไรกันความรู้สึกนี้ก็หายหมดไปแต่ที่จริงไม่ต้องรอถึงนั่นหรอกนะแค่เดินเหนื่อยก็สิ้นแล้วนะนะอด่างนี้พอเริ่มเหนื่อยแล้วก็ชักอ่าวแต่เดิมเคยบอกว่าโอ้คุณมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะพอเริ่มเหนื่อยแล้วเป็นไงหนีมันอย่างเดียวอย นะตัวใครตัวมันไว้ก่อนก็แล้วกันเห็นไหมแต่และอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราอยากจะเห็นความผิดอยากจะเห็นความเห็นแก่ตัวของตนเองเราก็ทําให้ตัวเองเหน็ดเหนื่อยเข้าไว้สมมุติเราอยากจะรู้จักใครอย่างแท้จริงเราก็พามันไปเดินขึ้นเขาที่มันเหนื่อยแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้มันรักใครจริงกันแน่เนะียฉะนั้นพวกมีแฟนพวกอะไรจะพิสูจน์ก็ได้แต่อย่าพิสูจน์เลยเดี๋ยวไม่มีนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็รักตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเรายอมรับความจริงได้นะเราก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่าโอ้ oh, นี่กิเลสมันสั่งเราไปทํานี่กิเลสมันสั่งเราไปทําอย่างนี้กิเลสมันสั่งเราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรารู้มันบ่อยๆว่ามันหลอกเราใช่ไหมเหมือนเราโดนหลอกเลยหลายครั้งเราก็ฉลาดขึ้นหลอกครั้งที่หนึ่งหลอกได้ครั้งที่สองหลอกได้ครั้งที่สามครั้งที่สี่หลอกได้ครั้งต่อๆไปครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยก็หลอกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้นะใช้ชีวิตอยู่กับความมืืดมันกก็คงจะลออเเรรา่ยๆ ยิ่งโดยเฉพาะคนไหนที่โดนหลอกว่าเก่งแล้วรู้แล้วไม่ต้องฟังใครแล้วพวกนี้ก็ยิ่งจะต้องโดนหลอกไปเรื่อยวนเวียนไปแต่การเป็นคนที่ใจกว้างเปิดกว้างรู้จักรับฟังความเห็นของคนอื่นอะไรก็สอนเราได้อันนี้จึงจะช่วยได้จริงๆนะริงนะแการฟังธรรมะในตอนต้นไม่ได้ฟังเอาความรู้อะไรเยอะหรอกฟังเพื่อเอาอาคติเอาความยึดเอาความเห็นผิดของเราออกไปสะก่อนแล้วสิ่งต่างๆก็จะสอนเราได้ ต้นไม้ก็สอนเราได้นะต้นไม้อยู่นิ่งๆก็สอนเราได้ใบไม้แห้งก็หล่นลงไปเที่ยงไหมไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสแสดงความจริงอยู่ต่อหน้าเราทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทุกคนทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของตนของตนสัตว์โลกเนี่ยเป็นที่ดูบุญบาปและผลของบุญบาเปเห็นไหมต่างกันเยอะแยะมากมายเราก็มองเห็นเห็นความแตกต่างกันนะที่มันแตกต่างกันก็เพราะว่ากระทํามาแตกต่างกัน ที่เราทั้งหลายคิดแตกต่างกันเพราะเพราะว่าสะสมเหตุมาแตกต่างกันเรียนหนังสือมาแตกแต่างกันแตกต่างกันอยู่ในครอบครัวที่แตกต่างกันฟังธรรมะแตกต่างกันอาจารย์แตกต่างกันก็คิดต่างกันเห็นไหมเป็นเรื่องธรรมดาเองเป็นไปจากการสะสมแล้วก็กรรมเก่าๆที่เราทำเอาไว้นี่อย่างนี้นะ <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุ เนี่ยท่านภาษาดิบุตรฟังอย่างนี้เข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมฉะนั้นความรู้ที่ตอนต้นที่เราฟังแล้วจะทําให้เกิดความรู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะความรู้มีแค่อันเดียวเท่านั้นนะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจอันนี้ได้ได้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องอไม่ต้องมีความรู้เยอะนะอันไหนที่เกิดอันนั้นล้วนแต่ดับเนี่ยง่ายไหม ง่ายมากนะแต่ว่ามันยากตรงการยอมรับนี่แหละนะฉะนั้นอะไรที่เกิดสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นให้เราคอยสังเกตคอยดูแล้วก็ให้ใจมันทราบซึ้งไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันดูมันนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เคยสุกมาแล้วะมันเกิดแล้วมันก็ดับทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับเครียดก็เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ <S <S 2> <S 2> <S สิ่งไหนที่เกิดสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้น เป็นของไรตัวตนเกิดเพราะเหตุเมื่อหมดเหตุก็ดับไปนะอย่างนี้เหตุก็คือหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่มันทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่จำเป็นแค่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดมันเกิดจากเหตุก็พอไม่ต้องรู้เหตุของมันทั้งหมดก็ได้รู้เพียงบางเหตุหรือว่าเพียงความเข้าใจว่าถ้ามันเกิดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมา ล, ลอยๆมันต้องเกิดเพราะเหตุอย่างแน่นอนเท่านี้ก็ใช้ได้ เราก็จะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดว่ามีผลสร้างอย่างแท้จริงเหมือนสมมติเราพูดถึงตึกหลังหนึ่งเราอาจจะคิดว่าเอ๊มีคนนั้นสร้างคนนี้สร้างแต่จริงๆนี้แต่เดิมไม่ได้มีตึกหลังนั้นมาแล้วมีเหตุคือคนคิดขึ้นมีช่างมีวิศวกรมีสถาปณิกมีคนงานทามันขึ้นมีหินปูนทรายมาก่อมันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อสิ่งนี้มันมีตึกมันก็มีขึ้น แต่พอหมดเหตุคนไปทุกมันทิ้งมันก็ไม่มีอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อเรารู้เข้าใจความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเมื่อหมดเหตุมันก็ดับไปเราจึงไม่เกิดความยึดว่ามันจะมีตึกจริงๆมีตัวเราจริงๆมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จริงๆจังๆขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการดูแบบผ่านๆ น, น, น, นั่นเองคือไม่จริงจังกับมันนเวลาเราสุขก็ให้รู้ว่าสุขแล้วก็ผ่านไปต่อไปเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะสุขเนี่ย มันเกิดเพราะเหตุเนี่ยความรู้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเวลาเราเครียดก็ให้ดูแบบบรรผานไม่ต้องไปเครียดกับมันนะส่วนใหญ่เราเครียดแล้วเราอยากหายด้วยใช่ไหมจริงจังเกินเหตุไปแต่เวลาเครียดให้นั่งดูเฉยๆว่าอ่านี่มันเครียดนะสักหน่อยมันจะหายไปแล้วต่อไปก็จะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ความเครียดนี้ไม่ได้อยู่นานเลยมีเหตุอย่างนี้อย่างนี้พอไปคิดเรื่องงานคิดนานเกินไปเลยเครียดถ้าไม่คิดก็ไม่เครียดแล้วคิดมาอีกก็เครียดอีกยึดก็เครียดอีก เท่านี้เองไม่ได้มีอะไรเลยนะฉะนั้นมันเกิดเพราะเหตุทั้งนั้นไม่ได้มีตัวมีตนไม่ได้เป็นของจริงจังอะไรไม่ได้เป็นของมีอยู่ก่อนนะคําว่าไม่มีอยู่ก่อนหมายถึงว่ามันจะมีขึ้นเมื่อมันเกิดที่มันเกิดไม่ได้เกิดมาลอยลอยอาศัยเหตุเกิดเมื่อมนหมดเหตุก็ดับไปอย่างนี้นะอันนี้แหละเป็นคําสอนที่ทําให้ท่านพระสาริบุตรเป็นพระโสดาบันต่อมาในถ้ำสุกละขาตานี้เหมือนกัน พระพุทเจ้าก็เทศเรื่องเวทนาให้กับหลานของท่านพระสาฏิบุตรฟังพระสาฏีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เทศ ค, คล้ายๆกันนี่แหละเรื่องสิ่งที่เกิดจากเทศแล้วก็หมดเทตก็ดับไปนั่นแหละแต่เน้นเรื่องเวทนาเรื่อวทนานี้เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ตั้งห้าของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งครงขันธ์ตั้งห้านะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญยารูปก็คือรูปด่างกายแล้วเนี่ย คำว่าตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบของรูปเป็นส่วนประกอบของาธาตุธาตุดินาธาต้น้ำาธาตุไฟาธาตุลมอย่างนี้รู้จักไหมคงเคยได้ยินบ้างนะอันนี้เป็นส่วนของรูปเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกทางกายเจ็บหลังปวดหลังหรือว่าเย็นสบายดีอันนี้เรียกว่าเวทนาทางกายเห็นไหเรานั่งนานๆสักหน่อยปวดหลังแล้ว เนี่ยความเวทนานี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรอาศัยเหตุเกิดเหตุคือนั่งนานไปหรือว่านั่งผิดท่ามันเลยปวดหลังมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเพียงเราขยับหรือว่าลุกไปที่อื่นมันก็หายไปแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมหรือว่าเราเดินไปเตะก้อนหินเขาก็เจ็บปวดเขาอย่างนี้อาศัยเหตุคือเตะก้อนหินนะที่เราเรียกกระ บ, บวนการตรงนั้นเห็นไหมนี่เป็นเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจก็มี สุขทุกแล้วก็อทุกขมสุขสบายใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยเป็นความรู้สึกนะสัญญาก็คือความจําได้ความหมายรู้นะเราจะหมายให้มันเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นพวกหินปูนทรายอย่างเงี้ยเราจะเอาไปหมายให้มันเป็นอะไรก็ได้หมายรู้ว่ามันเป็นของสร้างปึกแล้วเอาไปสร้างเป็นตึกเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ว่ามันเป็นก้อนหินธรรมดาเอาไว้ขว้างหัวหมาก็ได้แล้วก็จนกระทั่ง ก็เป็นหินเหมือนกันนี่แหละเราก็ยังมากราบไหว้และลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุณและลึกถึงพระษาดิบุตรและลึกถึงอะไรก็ได้ตามการหมายของเราเนี่ยตัวที่ทําให้หมายกันได้แล้วก็เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอที่จะสื่อสารกันได้ตามความหมายรู้กันนี้เขาเรียกว่าสัญญานี่ยนั้นะที่เรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยสัญญาเก่าๆ เ, เวลาสัญญาเก่าๆมันไม่ทํางานเรานอนหลับไป มันจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเองอยู่ในโลกนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาตกเก่าขึ้นมาทํางานไม่มีความหมายรู้ขึ้นมาแต่พอเราตื่นขึ้นมามันก็มีครบสมบูรณ์ทีเดียวตอนนี้เราก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่รู้จะได้กลับไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็ยังหมายอยู่ว่ามันมีอยู่เห็นหนหะแต่โดยความจริงแล้วหายใจเข้ามาหายใจออกมันก็หมดไปแล้วอันนั้นนะแต่ก็ยังหมายอยู่ว่ามีเห็นไหมบางคนมีสามีอยู่ที่บ้านบางคนมีงานนั่นงานนี่ต้องจัดการเยอะแยะ แต่ตัวเองตอนนี้ไม่รู้จะจัดการได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขายังหมายอยู่เห็นไหมตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวหมายรู้ว่าเรามีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่มันจะมีประโยชน์เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกแล้วก็หมายรู้ให้มันพอเป็นไปได้เอาไว้แลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันพอใช้ได้นะแต่สัญญานี้ก็จะมีโทษมากถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันทั้งๆที่อย่างเช่นเงินทองอย่างนี้ แบงค์พันก็มากกว่าห้าร้อยนี่เขาหมายกันอย่างนี้แต่ถ้าเราไปยึดมั่นจริงจังเกินเหตุมันก็เกิดความหลงเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะอย่างหินบางชนิดเขาก็มีราคาข้างวดเป็นอันมากใช่ไหมโอ้เป็นเครื่องประดับมีราคาแพงมากราคาเป็นแสนแสนเป็นล้านๆเห็นไหมนะเป็นเครื่องประดับนะเอาไว้ประดับตนเองจริงๆก็ไม่กล้าให้ใครดูหรอกเพราะว่ากลัวเขาขโมย ทั้งๆที่ก็เป็นก้อนหินอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ว่าการหมายรู้นี่มันเป็นไปอย่างนั้นนะฉะนั้นแม้สิ่งเดียวกันนะเราหมายรู้ให้มันเป็นของมีค่าขนาดนั้นขนาดนี้จนกระทั่งมีค่าไม่มีประมาณก็ยังได้ตามการหมายรู้ของแต่ละคนไปนะอย่างพวกเรามาหมายรู้ที่นี่โอ้พระพุทธเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้พวกอินเดียเขาหรือว่าพวกที่เขาไม่ได้นับถือพวพวกนี้มากราบอะไรกันเนี่ยกราบก้อนหินอะไรก็ว่ากันไป ตามการหมายของแต่ละคนนะเนี่ยความจําได้หมายรู้เขาเรียกสัญญานะสัญญาก็จะมีประโยชน์เมื่อเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์<ล>ก็จะมีโทษถ้าเราหลงยึดมั่นถือมั่นมันจริงจังเกินไปทุกๆเรื่องนั่นแหละนะเวทนาก็เหมือนกันนะถ้าเราแค่รับรู้มันอ่ะมันเจ็บมันปวดมันก็เป็นเครื่องบอกร่างกายว่าเอ๊ะร่างกายจะทนไม่ไหวแล้วต้องจัดการต้องเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันก็ดีใช่ไหมเอ๊หิวข้าวก็ดีเหมือนกัน ร่างกายมันก็บอกแล้วนี่ยไม่ไหวแล้วต่อไปจะล้มแล้วเนี่ยนะหน้าเลยต้องหาข้าวมาใส่แล้วะนี่ยมันก็บอกก็เป็นส่วนดีแต่ถ้าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันหรือว่าจริงจังกับมันเกินเหตุเวทนาฝ่ายไม่ดีก็ไม่ชอบเวทนาฝ่ายดีความสุขก็ชอบหาแต่สุขเกลียดทุกข์อย่างนี้มันก็เกินไปก็ใช้ชีวิตโดยตกเป็นาธาตของเวทนาไปเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยหาเงินหาทองเพื่ออะไรกันเนี่ยตกเป็นาธาตเวทนาใช่ไหม สร้างบ้านที่ดีๆสร้างนันสร้างนี่เพื่อหวังว่าตัวเองจะเป็นสุขนั่นหาอยู่ตกเป็นธาตุเวทนาเพราะไปจริงจังกับมันเกินทีทั้งๆที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะๆเนี่ยเรานั่งตรงนี้ก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่การรู้จักความจริงมากกว่านี่อย่างนี้นะครับถึงส่วนที่สามล้สัญญาต่อไปก็สังขารการคิดนึกปรุงแต่งเอาเวทนาบ้างสัญญาบ้างมาปุง <N> นะเราก็ปรุงจากเวทนาเราสุขเราก็ชอบอยากได้นั่นอยากได้ในหาวิธีมาทุกข์ก็ไม่ชอบหาวิธีผลักไสมันอย่างนั้นอย่างนี้เกลียดมันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความไม่ชอบเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความเครียดเกิดความเบื่อนายเกิดความเซ็งกับมันไปเวลามันเกิดขึ้นนั่นเห็นไหมมันปรุงแต่งไปส่วนฝ่ายที่ดีเราก็ชอบอยากได้นะเวลาเห็นคนอื่นได้ ม, มากกว่าเราก็อิจฉาเขาก็มีอะไรก็มีก็ปรุงแต่งไป ต่างๆนานานะอันนี้เรียกว่าสังขารความคิดนึกปรุงแต่งบางคนก็มีความรู้เก่าๆมีอะไรทัศนคติอุดมคติทิฏฐิของตนเองเยอะก็เอาสัญญาเก่าๆมาปรุงฉะนั้นเวลาพูดเรื่องอะไรไปปั๊บเขาก็จะเป็นคนผนัคิดมากนะคิดพูดอะไรนี้อะไรนั้นก็เอาเรื่องเก่ามาคิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยเหมือนเราที่จําคนนั้นคนนี้ได้เยอะนะนะไอ้คนนี้มันเคย ยืนต่างเราแล้วไม่ได้ใช้เพรเห็นหน้ามันตั๊บแต่นั่นแหละสัญญาเก่าเามาแล้วก็ปรุงเกลียดมันอย่างโน้นอย่างนี้ ท, ท, ทั้งๆ้งที่บางทีเขาก็อาจจะดีขึ้นแล้วตอนเนี้นะแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนเลวอยู่แต่ว่าทุกคนมันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่เรานี้ความจำเก่าเก่าก็ยังเกลียดมันอยู่เห็นหน้าเพราก็เกลียดเลยเขาไม่ทําอะไรให้ก็เกลียดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นนะอันนี้ก็เป็นความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วิญญาณนะส่วนที่ห้า ตัวประธานในการรับรู้นะตัวประธานวิญญาณตัวประธานในการรับรู้วิญญาณทางตาจักรุวิญญาณทําหน้าที่มองเห็นที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นสวยบ้างเห็นหน่าเกลียดบ้างอันนี้มันเป็นวิญญาณหูฟังเสียงโสตวิญญาณจมูกดมกลิ่นฐานะวิญญาณลิ้นลิ้มรสชิวหาวิญญาณกายกระทบสัมผัสเย็นร้อน เจ็บปวดตึงตรงนั้นตรงนี้อันนี้เรียกว่ากายวิญญาณใจรับรู้ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างรับรู้ความสงบความเครียดความฟุง้งซ่านรับรู้คิดมากคิดน้อยก็รับรู้อันนี้เรียกว่ามโนวิญญาณทั้งส่วนประกอบทั้งห้านี้เป็นส่วนประกอบที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเป็นตัวทุกข์คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งแต่มันก็หลอกเราได้ว่าเป็นจริงเป็นจัง เหมือนรูงกิ f, นก it, น i, like ้ําเนี <Wednesday> ่ยมันเกิดขึ้นโอ้จริงมากอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปเวทนาความสุขเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุเกิดแล้วดับไปความสงบน่าอัศจรรย์เหลือเกินมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุเกิดแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างเหมือนกันอย่างนี้หมดเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของบังคับไม่ได้นะเราลองสังเกตดูไปสังเกตบ่อยๆแล้วจะรู้ยกตัวอย่าง ทางเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ได้เช่นเรื่องวิญญาณทางด้านวิญญาณตาเรานี้มันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมมันจึงทําหน้าที่เห็นเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเราพอใจมันก็เห็นไม่พอใจก็เห็นเหมือนกันนะเราอย่างเรานี้คงอยากจะเห็นแต่ดีๆใช่ไหมแต่ว่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของตาหน้าที่ของตาคือมันทําหน้าที่เห็นฉะนั้นสวยมันก็เห็นไม่สวยมันก็เห็นเหมือนกันสิ่งที่น่าพอใจมันก็เห็นไม่น่าพอใจมันก็เห็นเหมือนกัน เราว่าหน้าที่ของตาคือมันทําหน้าที่มองเห็นหนะที่ของวิญญาณตัวนี้มันทําหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วพูดง่ายๆคือยุติธรรมที่สุดแล้ววงั้นเถอะแต่เรานี่สงสัยเพียยโดยเรื่อยอยากจะเห็นแต่ดีๆไม่อยากเห็นไม่ดีเขาว่าอย่างนี้นะอ่าไปโทษตาก็เองนะบางคนนะแต่บางคนนี้เขาไม่โทษตาตัวเองแล้วเพราะว่าเขาถือว่าตัวเองดีไปโทษคนอื่นที่มาโผล่ที่ตาเรานั่นนะ ถ้าไม่อยากเห็นคนอื่นก็ง่ายเองใช่ไหมตาบอดไปเสี้หลับตาไปเสี้ยมันก็เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรนะหูก็เหมือนกันหน้าที่ของหูคือมันได้ยินเสียงชมมันก็ได้ยินเสียงด่ามันก็ได้ยินเพราะมันก็ได้ยินไม่เพราะมันก็ได้ยินดังก็ได้ยินเบาก็ได้ยินเราจะชอบไม่ชอบมันก็ได้ยินเท่านั้นแหละนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของหูมันมันก็ทําหน้าที่ถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงว่ามันก็ยุติธทําที่สุดแล้วพูดง่ายๆนะมันก็ทําหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว แต่เรานี้คงท่าจะเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งคงอยากจะได้ยินแต่เสียงเพลาะๆพลาะนะถ้าอยากจะได้ยินแต่เสียงเพลาะเพละก็คงต้องหูหนวกไปเลยเนาะอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าที่ของหูคือมันได้ยินเพราะไม่เพราะมันก็ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าหน้าที่ของมันคือทําหน้าที่ได้ยินนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นตัวการที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าได้ยินอันนั้นน่าจะได้ยินแต่อันนี้อันนี้จึงเป็นความเข้าใจผิดของเราเอง เป็นความเข้าใจผิดผิดเป็นความหลงยึดมั่นถือมัน่นที่ก่อให้เกิดทุกข์โดยไม่ใช่เหตุนะแต่ที่จริงแล้วโสตวิญญาณการได้ยินนี่มันทําหน้าที่ถูกแล้วใจเราก็เหมือนกันเห็นไหมการรับรู้อารมณ์ทางใจสุขเราก็รู้ว่ามันสุขมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์สงบเราก็รู้ว่าเออสงบฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านคิดมากก็รู้ว่าคิดมากเหมือนกันนี่ใจมันก็ทําหน้าที่สมบูรณ์ของมันแล้ว คือทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคิดเรื่องนั้นเราก็รู้ว่าเออนี่มันคิดเรื่องนี้มันคิด <c oughs> เรื่องนี้เราก็รู้แล้วแต่ว่าเรานี่เริ่มเพียนใจมันรับรู้อารมณ์ต่างๆถูกต้องแล้วเราอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวเป็นยังไงไม่อยากให้ทุกข์ทั้งๆที่มันทุกข์มันก็รู้เออนี่ทุกข์นะทุกข์เป็นอย่างนี้นะสุขมันก็รู้เออสุขเป็นอย่างนี้นะมันก็ถูกแล้วนี่มันก็ไม่เมาเล่าหรือว่าไม่เสียสติไป แต่เราเนี้ทั้งใสอยากจะเมากัญชาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละอยากให้มันสุกตลอดอยากให้มันสงบตลอดอยากให้มันนิ่งตลอดอะไรไปนี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นตัวความเข้าใจผิดผิดตัวความหลงผิดผิดเนี่ยเราต้องเอาออกไปแล้วเราก็จะรู้ตามที่มันเป็นจริงว่าโอ้อันไหนที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นนี่นะมันเกิดเพราะเหตุแล้วมันก็จะหมดไปเมื่อหมดเหตุก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้พูดเกินเรื่องขันทั้งห้าไปตั้งนานแล้วก็เพื่อจะพูดเรื่องภาษาริบุตรบรรลุอลหรหันต์ด้วยเทสนาอันหนึ่งก็คือเรื่องเวทนานะเรื่องเวทนาพระพุทธเจ้านี้แสดงธรรมะแกะหลานของท่านไม่ได้ตั้งใจจะแสดงกับท่านหรอกระสาริบุตรนี้พัดพระพุทธเจ้าอยู่นะนั่งพัดอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าเทศเรื่องเวทนาให้กับหลานของท่านฟัง เวทนาเป็นของมีตัวมีตนเป็นของที่ยงแพ้ตาวรไหมไม่ได้เป็นเป็นของที่อิงอาศัยผัละเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองเรามองเห็นหน้าคนนี้ถ้าเป็นคนที่เราชอบเราก็รู้สึกสบายใจเราอาจจะพูดในทรรมนองเออเห็นแล้วสบายตานี่คือเวทนาเห็นไหมเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองถ้าเห็นสิ่งที่โสกปลกไม่น่าดูเป็นไงไม่ค่อยสบายใจเนี่ยเห็นนะมเวทนาเกิดขึ้นเป็นครั้ง เกิดตามผัสสะเท่านั้นเองนะถ้าผัสสะไม่รุนแรงนักไม่ดีมากนักไม่ร้ายมากนักมันก็เฉยๆไปธรรมดารรมดาไปก็เป็นอทุกขมสุขเห็นไหสุขกเวทนาก็เกิดเพราะเหตุทุกขกเวทนาก็เกิดเพราะเหตุอทุกข์มสุขก็เกิดเพราะเหตุตอนที่เป็นสุขก็ไม่ได้ทุกข์อะไรไม่ได้เป็นอทุกขมสุขตอนทุกข์ก็ไม่ได้สุขอะไรแต่ละอย่างล้วนไปเกิดขึ้น ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอย่างเวลาเราทุกข์เป็นไงสุขไหมเวลาทุกข์ไม่เห็นสุขเลยทุกอย่างเดียวล้วนๆดูเด่นี่ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุนะตอนทุกข์ก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่อทุกขมสุขตอนสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่อทุกขม่สุขเห็นไหมมันเกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ไปหลงยึดมัน่นถือมั่นว่าโอ้ย เราเนี่ยนะเป็นสุขเรานี่ยนะเป็นทุกข์หรือว่าสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอย่างนี้นะเราเป็นผู้เสวยเวทนาอย่างนี้ก็ลองลองสังเกตบ่อยๆแล้วก็จะรู้ความจริงข้อนี้ได้นะ <Measure. S 1> เพราะว่าโดยความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองสุขก็เกิดเป็นครั้งครั้งตามเหตุแล้วก็ดับไปทุกข์ก็เกิดเป็นครั้งครั้งตามเหตุแล้วก็ดับไปอทุกขกรรมสุขก็เกิดขึ้น เป็นครั้งครั้ ง, งตามเหตุแล้วก็ดับไปเท่านั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะครับนี้พระพุทธ เ, เจ้าเทศเรื่องเวทนาอันนี้แหละนะเทศเรื่องเวทนาอ น, นี้ท่านพระสารีบุตรเข้าใจทั้งทั้ ง, ท, งที่เทศกับหลานของท่านนะเข้าใจก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยนะอุปมาเหมือนอย่างว่าสมมติเรามีไม้สองอันมาสีกันหรือว่าอุปกรณ์สองอันมาถูกัน หินสองก้อนมาถูกันมันก็เกิดความร้อนขึ้นใช่ไหมเนี่ยมีการกระทบกันก็เกิดความร้อนขึ้นถ้าเอามานองห่างออกจากกันความร้อนมันก็หายไปเวทนาก็เหมือนกันมันเกิดจากผัสสะเป็นครั้งคร้งเนี่ยสมมติว่าเราเครียดเนี่ยเราเครียดเพราะอะไรละ่ะเราเครียดเพราะว่าไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องสิ่งที่เราต้องทำนี้มันก็คิดถึงเรื่องนั้นมันผัสสะกับเรื่องนั้นความเครียดจึงเกิดขึ้น เมื่อเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วความเครียดมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็หมดไปอย่างนี้นะฉะนัะ้นในการฝึกฝนประพฤติธปฏิบัติแท้ที่จริงแล้วในหลักของพระพุทธศาสนานะท่านดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจดับความเครียดอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ดับที่เหตุเราต้องรู้ว่าทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรสมมติว่าอ้าวทุกข์เกิดจากเรื่องว่าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมติมีคนด่าเรา เราเกิดความเครียดขึ้นเกิดความโกรธขึ้นไม่พอใจขึ้นนะต่อไปถ้าเราไปสนใจเรื่องที่เขาด่าอยู่อีกมันเกิดอีกไห ม, มก็เกิดอีกถึงเขาไม่ด่าเราตอนนี้เราไปนั่งอยู่ที่บ้านเราคิดถึงมันโกรธอีกไหมโกรดอีกเพราะว่าเราไปจับที่ตัวเหตุมันนะแท่จริงเขามีวิธีที่ฉลาดแล้วก็มีวิธีที่เป็นเรื่องโยนิโสมนสิ ก, การใส่ใจที่ถูกต้องกว่านั้นได้ความจริงด้วย แล้วก็หมดความกโกรธได้ด้วยก็คือเวลาที่คนด่าเราปั๊บอย่าสนใจสิ่งที่เขาดา่าอย่าสนใจตัวเขาเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นต้นเหตุของความโกรธใช่ไหมถ้าเราไปสนใจเขาเราก็โกรธอีกสนใจเขาเราก็โกรธอีกเพราะว่าไอ้ต้นเหตุต้นเหตุมันมีเหตุมันก็เกิดใช่ไหมเราจะไปสนใจต้นเหตุอันนี้มันทาให้เราโกรธเราโกรธเกิดขึ้นเราสนใจตัวเรานี่ สนใจความโกรธว่าตอนนี้มันโกรธหรือว่าเราไม่สนใจความโกรธเราสนใจว่าอ่าตอนนี้เรากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกกําลังยืนอยู่เราไม่สนใจตัวนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับมันเกิดเพราะเหตุคือเราไปสนใจคนด่าไปปรุงแต่งว่าเขาด่าเรามันเกิดเพราะเหตุตอนนี้เราไม่สนใจแล้วเรามาสนใจลมหายใจเข้าหายใจออกมันหายไหมหมดเหตุมันก็ดับไปนง่ายไหม ง่ายมากท de like yes, ี <daha S 2> ่สุดเลยฉะนั้นวิธีคลายเครียดหรือว่าวิธีหมดทุกข์หมดวิตกังวลนี้ง่ายมากที่สุดเลยคือว่าอย่าไปสนใจเรื่องที่ทําให้เราเครียดเราวิตกกังวลนั้นสนใจตัวเองเข้าไว้นะเราเศร้าใจเพราะว่ามีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเรื่องนั้นทําให้เราเศร้าใจอย่าไปสนใจเรื่องนั้นสนใจความเศร้าใจนี้ว่าตอนนี้เราเศร้าใจเรื่องมันก็ไม่ได้สนใจความเศร้าใจมันเกิดเพราะเหตุ หมดเหตุมันก็ดับไปใช่หไหมได้ความจริงด้วยคือได้เข้าใจสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นและความทุกข์ก็หายไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันหมดเหตุมันก็ไม่เกิดอีกแต่เราทั้งหลายนี้ความทุกข์ไม่เคยหายไปสักทีเพราะว่ามัวแต่จะไปแก้คนอื่นนะชอบหาเหตุมาให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆสมมติว่าอา มีเรื่องราวเก่าๆเคยเถียงกันกับสามีอย่างนี้นะเคยเถียงกันกับสามีก็ไปสนใจสามีสนใจเรื่องที่เถียงกันมันก็เกิดความทุกข์อยู่เรื่อยเกิดความทุกข์อยู่เรื่อยฉะนั้นต่อไปอย่าไปสนใจอันนั้นแค่สนใจตัวเองนะตอนนี้เราไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นมันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปไม่ต้องพยายามให้มันหายเพราะว่าอันไหนมันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นเหมือนเราทั้งหลายเนี่ย เกิดมามันต้องตายทั้งนั้นแหละไม่ต้องพยายามจะตายเพราะว่ามันต้องตายอยู่แล้วไม่ต้องพยายามจะป่วยเพราะว่ามันต้องป่วยอยู่แล้วมันเป็นธรรมดามันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันดับไปเนี่ยแค่สนใจมันก็เข้าใจความจริงแล้วเราไม่สนใจเหตุที่ทําให้มันโกรธใช่ไหมมันก็ไม่โกรธเท่านั้นเองฉะนั้นที่เรามาฝึกนี่นะฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญานี้เพื่อฝึกความสามารถในการอยู่กับตนเองแล้วก็เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น แล้วก็ไม่เอาเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกนั้นมาใส่ตนเองฝึกความสามารถอันนี้ถ้าความสามารถอันนี้ถ้าเรียกแบบภาษาแบบให้จูงใจนะเขาเรียกว่าฝึกความสามารถในการที่จะเป็นสุขที่จะอยู่อย่างเป็นสุขนะไม่ใช่ฝึกความสามารถที่จะหาเงินหาทองหาเรื่องนั้นเรื่องนี้หาความรู้นั่นรู้นี่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั น, มนและเกิดความทุกเกิดความเครียดขึ้นมาเป็นอันมาก นะครับฉะนั้นถ้าใครทําให้ท่านไม่สบายใจอย่าไปสนใจเขาสนใจว่าตอนนี้มันกําลังไม่สบายใจเราจะเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปเมื่อเราไม่ไปสนใจตรงนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกก็ไม่สบายใจแป๊บเดียวแล้วก็หายไปซ้ำ ส, สองก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งวิธีการนี้มันก็ค่อนข้างยากหน่อยสําหรับเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตแบบลลหลงๆมานานแล้วชอบไปแก้คนอื่นใช่ไหมแล้วแก้ได้ไหม เออนะคงจะนานเลยนะฉะนั้นอย่าพยายามไปแก้คนอื่นแม้กระทั่งพยายามจะแก้ตัวเองก็อย่าพยายามเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้ทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นและการยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจะแก้เราเองเนี่ยเราต้องการอันนี้นะฉะนั้นอย่าพยายามแก้คนอื่นและก็อย่าพยายามแม้แต่จะแก้ตนเองให้ยอมรับมันอย่างที่มันเป็น การยอมรับมันอย่างที่มันเป็นจะแก้ไขเราจะแก้เราเองแก้ให้เป็นยังไงบ้างแก้ให้เป็นคนทุกน้อยลงแก้ให้เป็นคนไม่คิดมากแก้ให้นอนหลับสบายขึ้นแก้ให้โรคต่างๆที่เคยมีที่เกิดจากใจที่ไม่ดีมันหายไปสบายไหมสบายไม่ต้องแก้อะไรเลยแค่ยอมรับมันเท่านั้นเองโดยการยอมรับนั้นมันจะแก้ไขเรานะแค่นี้เองนะฉะนั้น ได้เทศนาเพียงเท่านี้แหละว่าเอ้าวทนานี้ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรอาศัยผัสสะเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งตอนที่สุขก็เป็นแค่สุขเท่านั้นเองไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อทุก ข, ขมสุขอะไรตอนที่ทุกขก็เป็นเพียงทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้สุขไม่ได้อทุกขก็มสุขอะไรตอนที่เฉยๆก็เฉยๆเท่า น, นั้นเองไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเกิดเพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปตามเหตุท่านาพระสารีบุตรบรรลุอรหันต์แล้วเราเป็นไง หันหลีหันขวางอยู่ไม่เป็นไรนะฟังฟังไปก่อนนะนะได้ฟังแล้วก็ดีแล้วแหละนะค่อยๆใส่ใจเอาไว้นี่แหละเราอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะของท่านเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็แต่เดิมเป็นคนทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยลงน้อยลงแต่เดิมเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดแต่เดิมเป็นผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายได้